หันธรมยังธรรมะคารวาทิคาทายพณาเมเสยเจจ่าตีตาสัมพุทธาเจจพุทธานาคาตาโยเจตระหิสัมพุทโผหุนังโซกานาสโนพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วย ที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในการบัดนี้ด้วยสาเพสัตธรรมคารุโนวิหาริงสุวิหาติจาอาธาปิวิหาริสันติเอสาพุทธานธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น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 สัตท ร, รมโมคารุกาตโพสรังพุทธานะสสนังเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนวางอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระรึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรม นหิธรรมโออาธรรมโมจะอุปสัมวิปากิโนธรรมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้อาธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขาติองอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขตี ธรรมโมหาเวรคติธรรมมจาริงธรรมและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิธรรมโมสุจินโนสุขมาวาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสานิสงโซธรรมเมสุจินเน นี่เป็นอานิสงในธรรมที่ตนประพืติดีแล้ว